แล้วก็าสอบถามว่าแล้วสิ่งที่อาศัยรูปเกิดนั้นเรียกว่าเวทนาอย่างเช่นความสุขความทุกข์หรืออุเบกขานี่ถ้าไม่มีรูปนะเวทนาเหล่านี้จะเกิดไหมพูดแบบเหตุผลธรรมดาทั่วไปเราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้สุขสบายหัวเราะร่าเริงถ้าไม่มีรูปเอกเวทนาเหล่านั้นจะเกิดไหมไม่เกิดก็ถามต่อไปว่าเวทนาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง สิ่งที่เกิดร่วมกับเวทนาก็คือสัญญาและสังขารตัวที่เป็นประธานแห่งเวทนาสัญญาสังขารก็คือจิตหรือวิญญาณก็ถามต่อไปว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงความคิดทั้งหมดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราใช้คําว่าวิญญาณกับใช้คําว่าความคิดเนี่ยไหนจะภาษาเราเอันไหนจะชัดกับกันญญผู้การชอบวิญญาณมากกว่านะอ๋คลุมหมดแต่ใช้คําว่าคิดนี่ไม่ค่อยคลุมมั้ย จริงๆแล้วเราติดในปัญจทวารนึกติดในชาวนะมากกว่ากันตัวตัวที่ติดจริงๆนะระหว่างทวิปัญจกับชาวนะนะ่ะติดอันไหนข้องอันไหนมากกว่ากันอติดชวนะมากกว่าเยอะนั่นนะคือถ้าถ้าทางกายนะ่จะเดือดร้อนมั่งเรายังไม่ค่อยว่านะแต่ถ้าชาวนะนี่มันนะนะติดข้องในชาวนะเนี่ยมาก เพราะอย่างอย่างไรเสียนะอย่างผู้ที่เจริญหรือพิจานาธรรมะมามากระดับหนึ่งจะรู้อยู่แล้วว่าปัญจทวารเนี่ยมันอาศัยทาวารขออาศัยวัตถุกับอาศัยอารมณ์เป็นประเภทปฏิฆะเนี่ยนะปฏิฆะหมายถึงว่าทั้งวัตถุ ก, กับอารมณ์เนี่ยกระทบกันแต่ชวนะเนี่ยมันคิดบางทีไอ้ที่มันคิดมันไม่ได้คิดเรื่องที่ป่วยนี่หรอกคนป่วยทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนเรื่องป่วยหรือว่าเดือดร้อนเรื่องอื่นจากเรื่องที่มันป่วย ถ้ากล่าวให้ตรงนะสมมติถ้าป่วยอยู่ไม่สบายใจเป็นอย่างมากตอนป่วยเดือดร้อนเรื่องที่ป่วยเดือดร้อนแผลอันนั้นปวดหัวตรงนั้นหรือว่าเดือดร้อนเพราะจะเสียหายเรื่องอื่นมากกว่ากันนะนะอจารย์กสออ๋อแล้วแต่คนน ะ, ะคือคือคนที่ผะหุกิจาานี่นะคนที่พวกมากงานมากธุรกิจมากอะไรเยอะๆเนี่ย พวกนั้นจริงๆมันไม่ค่อยทุกไอเรื่องป่วยหรอกมันทุกเพราะเรื่องอื่นๆมากกว่าเนี่ยนะว่าโดยรวมแนละห่วงเรื่องบ้านมาั่งเรื่องช่องเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องยัองอื่นเะนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์ร่างกายบางทีมันก็ไม่ได้ว่ามันป่วยอะไรมากมายหรอกแต่ว่าอใจเนี่ยมันป่วยมากเพราะฉะนั้นจริงๆก็ติดไอ้ความคิดอันนั้นนั่นแหละห่วงหน้าพะวงหลังอ่าที่จริงแล้วคนไข้ที่ที่ที่เขาทุกอยู่แค่ทางกายนะน่าจะรักษาไม่ถึงกับยากนะักใช่ไหม แต่ปัญหามากๆคือคนไข้ที่มันป่วยทางใจเนี่ยนะนี่หมอจะกลับบ้านรึได้หรือเปล่าเนี่ยหมอเนี่ยจะหายหรือเปล่าอีก3ามวันข้างหน้าจะกับบ้นคิดเรื่องข้างหน้าซะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดไอ้ไอ้ตัวเจ็บตัวปวดที่เป็นทุกข์กายวิญญาณมากดังกรอกเนี่ย น, นะก็เรียกว่าติดในห่วงของความคิดหรือความเพ้อฝันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เพราะในความคิดกับความเพ้อฝันเหล่านั้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ย น, นะ คือถ้าเราไปถามใ้สิ่งที่เขาคิดนะอารมณ์ที่เขาคิดอยู่สิ่งนั้นเขาอาจจะพอใจเขาต้องการให้มันมันเที่ยงใช่ไหมแต่ถ้าจับให้มันตรงตัวเลยก็คือตัวความคิดอันนั้นเนี่ยที่ไปคิดเรื่องราวทุกชนิดขึ้นมาความคิดอันนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะก็ยอมรับว่าไม่เที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังคิดดีอยู่นะยังใช้ได้ก็ยังชอบความคิดอนะนะจริงๆที่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยมาสอบสวนว่าความคิดเนี่ย เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าคนที่เคยนอนโรงพยาบาลนี่อาจจะคิดคืนหนึ่งอาจจะได้หลายสิบเรื่องใช่ไหมชั่วคืนหนึ่งอาจจะคิดตั้งหลายสิบเรื่องเนี่ยนะชั่วไปหาหมอไม่กี่ชั่วโมงอาจจะคิดตั้งสาี่เรื่องห้าเรื่องสิบเรื่องยี่สิบเรื่องไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นในความคิดก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้ความคิดอันนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะอันนัถ้าลองอ๋อย้อนอีกครั้งหนึ่งนะรูปก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยไอความคิดอันนั้นอีกก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าที่อื่นอรหันต์สู่จะกล่าวอย่างนั้นแต่ที่นี่ก็บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยนะอริยาสาวกผู้ดได้สดัตว์ข้อภยัยเพราะเหตุนั้นแลนะ เห็นนะตรงนั้นเหตุนั้นน่ะเหตุนั้นน่ะคือเหตุไหนคุณนภาเหตุไหนบอกหลายครั้งแล้วอ๋อเหตุที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช่ไอเหตุนั้นเนี่ยคือเหตุที่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นแหละเนี่ยนะมันไม่ใช่เท่านั้นนะยังมีอีกอีกคือขันห้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกล ขันทั้งหมดนั้นก็เป็นขันห้าให้เธอตามเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราตรงนี้เน้นปฏิเสธว่าอย่าไปมีตันหามานะทิ่เทกับขันเหล่านั้นเลยเพราะอะไรเพราะขันเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ควรไปมีตันหามานะทิ่เในขันเหล่านั้นเลยถ้าไปมีตันหาในขันนี่เป็นยังไงถ้าไปมีตัหาในขันก็ เพลิดเพลินว่าขันเมื่อก่อนดีกว่านี้ใช่ไหมนี่ด้วยบุญบางอย่างนะขอให้ขันข้างหน้าดีกว่านี้เนี่ยนะแล้วแต่บางคนนะบางคนก็ชอบเน้นรูปมากบางคนก็เน้นเวทนาเน้นสัญญาเน้นสังขารเน้นวิญญาณแต่ว่ารวมๆก็คือตั้งความปรารถนาขันห้าเนี่ยนะแล้วถ้ามานาะอะไรเนี่ยนะเข้าไปมีขันห้าด้วยอานาจของมานาะอะไร นั่นนะก็ไปเปรียบกับผู้อื่นใช่ไหมหรือก็ยังเรียกว่ายังมีสำเนวนาอาหารการเดี๋ยวจะสูตรข้างหน้าจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งนั่นนะว่ามานะเนี่ยละละยากกว่ากว่าไอตัวทิฐิเนี่ยนะแต่ถ้าทิถิก็คือขันห้าก็เป็นขันห้าแล้วก็ขันห้าไม่ใช่อัตตาแล้วขันห้าไม่ใช่บริขารของอัตตาเนี่ยนะไม่ใช่ของอัตตาอ่านะย้อนอีกครั้งไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ของอัตตาถามมันเป็นอะไรามันก็เป็นขันธ์าที่ไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละวมงนทีนี้อริยาสาวกพอฟังหรือเกิดการไร้ครวนแบบนี้มากๆนะที่ควรจะเป็นคือเบื่อหน่ายใช่ไหมเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็บรรลุเนี่ยนะอนะ อบอกว่าตามสูตรนี้อัตกถาอธิบายว่าพอจบปริวัติสามพระอัศชินี่บรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะที่กล่าวไปนะท่านบรรลุแล้วทีนี้มาพูดถึงเครื่องอยู่ของพระอรหันต์บงเียนะถ้าอริยาสาวกนั้นได้เสเวยสุขเวทนาก็ทราบชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินเดีย๋ยวนะอาศัยกายนี้ก่อให้เกิดสุขเวทนาใช่ไหมอย่างพระอศัศจท่านได้ฌานเนีย ชาญเหล่านั้นก็อาศัยกายเหล่านั้นเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ย น, นะความสุขนะอมความไปถึงชาญด้วยนะชาญสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านั้นะเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวทนาที่ไม่เที่ยงอ่ะไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินหากเสวยทุกขเวทนาก็ทราบชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินจะมีคําถามว่าเอ้า คนที่มีความทุกเนี่ยมันจะเพลิดเพลิญญญนยินดีได้ยังไงว่างั้นเน่ยสุขเพลิดเพลินในสุขก็ก็ก็ฟังขึ้นนะฮะแต่ถ้าเพลิดเพลินในทุกนี่ฟังไม่ขึ้นอธิบายว่าบุคคลประสบทุกแล้วย่อมปรารถนาความสุขก็คือปรารถนาทุกขนั่นแหละว่างั้นน่ยเอานะสิ่งที่เราเรียกว่าสุขนะสิ่งนั้นเนี่ยคือความทุกขสมมุติว่าปรารถนาอะไรบ้างอ่ะนะที่มันไม่มีทุกเลยนั้นเลยมีไหมที่ที่เป็นขันห่านะ ไม่มีมันถ้าปรารถนาขันห้าอันใหม่ก็คือปรารถนาทุกอันใหม่สมมติว่าตอนนี้ทุกนะปวดสำหรับปวดหัวอยากหายปวดเลิกเกินเนี่ยนะอยากได้หัวที่ไม่ปวดไอ้หัวที่ไม่ปวดนั่นแหละมันจะปวดอีกเนี่ยนะปรารถนาไอฟันที่มันไม่ปวดนะเดี๋ยวได้ฟันที่ปวดอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีฟันนะปวดอีกนานคุณโชคดีอะไรไม่ปวดซี่นี้เดี๋ยวก็ปวดซี่อื่นเลยปวดซี่อื่นแล้ก็ปวดมันปวดทุกซี่นั่นแหละ นี่มีแค่สามสิบสองซี่ถ้ามีสี่สิบซี่ก็ทุกสี่ิบี่ถ้ามีสักร้อยี่สิบซี่นะปวดมากกว่า น, นั้นอีกเนี่ยมันปวดได้ทุกซี่หมดนั่นแหละแล้วแต่ว่ามันจะสำนวนโบราณออกแล้วแต่แมงมันจะเลือกกินกัดอั น, อนไหนก่อนเนี <c> ่ย <oughs> แต่อันนี้หมอยุพินต้องอธิบ า, บายบอกว่าแมงกินฟันนะ น, นั่นน่ะก็ทุกเพราะไม่มีฟันอีกนั่นแหละไม่ น, นั่นนะสมมติถ้าไปเกิด ฟันไอ้ฟันที่เขาเรียกว่าฟันประเภทฟันจอบฟันยิ้มข้างหน้านะถ้ามันถ้าไม่มีฟันข้างหน้าเลยนะอยากจะยิ้มมากขึ้นไหมหรือว่าจะใสหุบนานี่ยนะเพราะฉะนั้นหมดฟันนี่ก็ยิ้มไม่ค่อยออกนะสมนัดมันก็ลดลงไปเยอะนะชีวิตชีวาก็แห้งแรงไปอีกเยอะนะถ้าฟันหน้าสักสี่ห้าซี่มันหมดไปเนี่ยนะก็เอาทุกอันหมายมาอีกใช่ไหม เขาบอกว่าเขามีคนเขาถอนฟันอนะนะเขบอกเอ๊ะจะไปใส่ฟันใหม่หรือใส่ใส่ดีหรือใส่ไม่ดีเขานั้นเขามาปรึกษากันนะนะเขคุยกันอันนี้นี่แบบชาวชนบทนะเขาบอกไม่ดีหรอกเขาว่างั้นมันบริหารมากบอกเรื่องมากาว่างั้นก็ก็เลยไม่ใส่เลยเขาว่างั้นให้มันล้อๆอย่างนี้แหละเขาวงั้นถ้าได้อีกมันก็ทุกข์เพราะการบริหารอันใหม่อีกอนะเนี นั่นก็บอกว่าไอ้ปรารถนาสิ heart, <you know ่งท an ี so an ah ่เราเรียกว่าสุขอันนั้นแหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะโอ้ยเกิดมาชาตินี้มันป่วยเหลือเกินสาธุเกิดชาติหน้าจะได้ป่วยอีกเลยเนี่ยนะเอาไหมก็เอาขันท่าอีกนั่นแหละก็เอาขันไอ้ที่มันป่วยเป็นอีกนั่นแหละนะปกติชาตินี้มันก็ป่วยเต็มทีก็ปรารถนาขันท่าอันใหม่เพื่อจะได้ป่วยใหม่แต่อาจจะคนละโรคกับที่กําลังป่วยอยู่ตอนนี้เท่านั้นแหละเนี่ยนะ ถ้าหากเสวยอทุคขมสุขเวทนาเนี่ยนะอืมขอไปหากเสวยอท inas, ุคขมสุขเวทนาก็ทราบชัดว่าอทุคขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินหากว่าเสวยสุขเวทนาก็ปราศจากความยินดียินร้ายเสวยสุขเวทนานั้นถ้าหากว่าเสวยทุกขเวทนาก็ปราศจากยินดียินร้ายเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าหากว่าเสวยอทุคขมสุขเวทนา ก็ปราศจากความยินดียินร้ายสเสวยอทุคขมสุขเวทนานั้นย่อมทราบชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินวันเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องเหตุเกิดความตั้งอยู่และความดับไปแห่งเวทนาแล้วใช่ไหมมานน่าจะทวนได้นะว่าเฉพาะสู่ตรงนี้ท่านกล่าวเฉพาะว่าทราบชัดว่าเวทนานั้นน่ะไม่เที่ยง ตรงนี้คําถ้าศึกษาที่อื่นมาถือว่าเป็นคําที่ยังมีมีคําอธิบายอยู่ข้างหน้าข้างหลังอีกตัวเวทนานะทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาตัว เ, เมื่อพูดถึงเวทนาก็ต้องพูดถึง เกิดของเวทนาใช่ไหมเหตุเกิดของเวทนาแบบในปัญจโวโการภพเนี่ยนะคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ขาดไม่ได้คือวัตถุอย่างหนึ่งสองอารมณ์เนี่นยนะเมื่อวัตถุกับอารมณ์กระทบกันเนี่ยนะเกิดวิญญาณภาษาเวทนาอันนี้จึงเกิดขึ้นแล้วความเกิดของเวทนาเนี่ยเพราะอะไรเกิดเวทนาจึงเกิด นีนะ่เพราะภาษะอย่างที่กล่าวไปแต่ที่สำคัญมากคืออวิชาเนี่ยนะัญหาและก็กรรมเนี่ยนะวิชาในโลกทั่วๆไปที่ยอมรับยากมากที่สุดคือตรงนี้เนี่ยนะรับว่าวัตถุ ก, กับอารมณ์นี่รับใช่ไหมว่าเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่ง อันนะว่าเวทนาเกิดถูกกับอารมณ์นี่โดยมากยอมรับใช่ไหมแต่ว่าวิชาตัญหากรรมนี้ไม่ไม่ค่อยยอมรับหรือไม่ยอมรับเลยก็มีเนี่ยนะโดยมากจะไม่ยอมรับว่าสุขทุกข์ที่กำลังเกิดจากอาตัญหาและกรรมก็ไม่ยอมรับเนี่ยนะทีนี้นะนไอ้ตัวเหตุเกิดถ้ากล่าวตามคำสอนของเราก็คือเน้นตัวไหนมากที่ที่ให้ให้ความสาคัญมาก อวิชากับตันหาเพราะว่ากรรมในฐานะบริขารเนี่ยนะบริขารของอวิชาและตันหานะทีนี้อวิชาตันหาเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งเวทนาแต่จริงๆแล้วอะอารมณ์นี่ก็มาจากอาวิชาตันหาแต่ว่าถือว่าคนละคนละส่วนกันใช่ไหมวัตถุ ก, ก็มาจากอาวิชาและตันหาแต่มาจากคนละส่วนไอ้เวทนาเอก ก, ก็ก็อีกส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างว่าคนที่ปวดหัววัตถุคือที่เรียกว่าศรีรษะเนี่ยนะเหตุที่ปวดหัวก็ด้วยปัจจัยหลายประการแต่ว่าสรุปว่าปวดหัวโพธพารลมเนี่ยตัวที่ทําให้ปวดหัวคือปัอทวีโพธพารลมอย่างหนึง่งเตโชโพธ พ, พ, พารลมอย่างหนึง่งวาโยโพธพารมเนี่ยอย่างหนึง่งสามอย่างเนี่ยที่ทำให้ปวดหัวเนี่ยตัวหัวกับตัวโพธ พ, พารลมเนี่ย อาจจะอยู่กันคนละกลุ่มหรือคนละกลาบเท่านั้นเอง ก, ก็เป็นปัจจยัยทีนี้อาศัยตัววัตถุคือกายยปภาษาทักระทบกับอารมณ์เหล่านี้ทุกขเวทนาคือปวดศีรษะเนี่ยเกิดขึ้นนะศีรษะนี้ก็มาจากตัวศีรษะที่เรียกว่าตัวกายยะเนี่ยนะก็มาจากอกีกตรงๆเลยคือมาจากกรรม แต่ปัทวีเตโชอาโปเอปัทวีเตโช ว, วายโผทพารมเนี่ยนะอันนี้สมุดฐานสี่กรรมก็ได้มาจากจิตเป็นปัจจัยก็ได้เนี่ยนะมาจากอุตุเป็นปัจจัยก็ได้อาหารเป็นปัจจัยก็ได้ทำให้ปวดหัว น, นั้นตัวโพธพาเนยะเนี่ยนะกายนี้ก็มาจากปัจจัยอีกคนละเรื่องของกายเลย อารมณ์ก็มาจากอีกปัจจัยของอารมณ์นะตัวเว ท, น, ทนี้ต้องอาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์แต่ว่ายังมีอวิชชาตันหาและกรรมอีกเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุเกิดใช่ไหมทีนี้ถ้าเวทนาเหล่านี้จะดับทางการแพทย์ก็แก้อย่างไงที่จะไม่ให้มันมีโผฏพารลมให้มันหายปวดซะหรือแก้อย่างไงให้วัตถุอันนั้นไม่เป็นที่ตั้งให้มันกระทบกับโผฏพาร์ณนนั้นเนี่ยนะ ก, ก็แก้อยู่เท่านี้แหละ โดยมากใช้ตัวนี้ไปรักษาเอ า, นะเอาอาหารชรูปอย่างเดียวแก้กรรมไม่ได้กรรมเดี๋ยวแต่บอกว่าเอาแก้กรรมเดี๋ยวจะไปสะดอกเคราะห์สิอี ก, ก น, นะแก้กรรมแก้อย่างไงก็บอกว่าถ้าแก้ด้วยจิตอุตุและอาหารมันยังไม่ได้นะก็ไปทําสังฆทานเถอะอ่างั้นทำบุญอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนะอาจจะช่วยได้บ้างคิดว่าไป ไปตัดใช่ไหมอย่างการนอบน้อมพระตนะตรายนะตัดไปเยอะนะที่การเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะถ้าเวทนามีกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยถ้าเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยถ้ากรรมตัวนั้นไม่หนักจริงๆอะ่ะมันไปเบียดกรรมกันเองได้นะพอจะช่วยได้แต่ถ้าว่าที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยคือเหตุเกิดของเวทนาอันนี้วัตถุอารมณ์อวิชชาตันหาและกรรม ในสูตรเมื่อกี้บอกว่า เ, เวทนาอันนั้นเนี่ยไม่เที่ยงยอย่าผู้ที่เป็นพารหันโดยมากท่านจะพิจารณา3ามอย่างนี่แหละโดยความเกิดความตั้งอยู่และความดับ เ, เวทนานี้เกิดโดยอาการ ห้าดับโดยอาการห้าตั้งอยู่โดยอาการสามย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเวทนาเกิดโดยอาการห้าคือเพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะภัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดถามว่าผ่ารหันตอนที่ท่านปวดศีรษะท่านเป็นผ่ารหันเลยนะถือว่ายังเกิดจากเหตุห้าประการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเกิดจากเหตุห้าประการเหล่านี้ไหม เพราะว่าอาวิชชาตันหากรรมนี่มันเป็นเหตุอดีตปัจจุบันนี้ท่านก็ยังมีวัตถุมีอารมณ์เพราะถือว่าเกิดด้วยเหตุหาเนีย่ยนะแต่ถ้าเวทนาเหล่านี้จะดับนะท่านเอาพูดถึงพพในอดีตพพอดีตก่อนนั้นนั้นเนี่ยท่านดับอวิชชาตันหากรรมเนี่ยนะเวทนาอันนี้ก็ไม่เกิดแต่ในพพนี้ท่านทำปริญญาละอวิชชาหาถอนสมุทัยได้หมดแล้วเพราะถ้าภพใหม่ต่อไป ท่านยังไม่ปวดศีรษะอีกเลยนะเพราะอะไรไม่มีศีรษะให้ปวดเ น, นี่ยก็เลยไม่ปวดศีรษะอีกเลยะเนี่ยทีนี้เวทนาที่มันตั้งอยู่ล่ะตั้งอยู่คืออนิจจังขยนะัเถนะเวทนาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเวทนามันเป็นสุขเวทนามาก่อนเ น, นี่ยใช่ไหมถ้าไม่สุขก่อนนั้นจะไม่มีทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นมันจะมี ทุกก็คือไปเปรียบกับกับสุขถ้าอยู่กึ่งกลางระหว่างสุขกับทุกเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยนะคทุกข้ามาสุขเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจากสุขไปเป็นทุกจากทุกไปเป็นสุขหรือว่าถ้ากึงกลางระหว่างนี้ก็เป็นอุเบกขาเนี่ยนะก็สุขทุกอุเบกขาสุขทุกอุเบกขาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนะั้นเรียกว่าความสิ้นไปเนี่ยนะ เอาตัวที่ย้อนอีกครั้งว่าตัวที่ทำให้เวทนาหลักๆเกิดคืออะไรก่อนเช่นว่าเวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอุเบกขาเนี่ยนะตัวไหนเป็นตัวกำหนดหตัวนี้เป็นกาหนดไงอารมณ์เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเวทนาใดจะเกิดเนี่ยนะถ้ารับอิทธารมณ์ยังไงก็ต้องเป็น สุขเวทนาถ้ารับอนิจฐารนลมคนนั้นยังไงก็ต้องเป็นทุกขเวทนาถ้ารับมัชชตารล์โดยทั่วไปยังไงก็เป็นอุเบกขาเวทนาแต่ว่าเว้นแต่เ น, น, นี่พูดถึงในปัญจทวารวิถีเนี่ยนะแต่ถ้ า, ถามโนทวารวิถีก็อีกประเด็นหนึ่งก็อยู่ที่อารมณ์อีกนั่นแหละมโนทวารวิถีก็เนื่องด้วยอารมณ์เช่นว่ากายทวารวิถีอากาศเย็นพอดีแต่ลำบากใจเรื่องอื่นมาเนี่ยนะ ใจมันเลยร้อนในตอนนี้ก็ถือว่าคนะอารมณ์คนละทวารกันเนี่ยนะมันก็อารมณ์เป็นตัวกําหนดเวทนาเพันธ์เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากผัสสะผัสสะก็มนานัศการหรือรับอารมณ์หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเวทนาก็เปลี่ยนไปเรื่อ ย, ย, อยพังธขยับเทนะสิ้นไปแล้วเวทนาที่มันตั้งอยู่มันอยู่โดยความเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่านะ เือถ้าเอาเหตุผลรอบข้างมาพิจนารณาหมดแล้วนะจะรู้ว่าสุขเวทนาอันนั้นก็เป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะต้นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะเพราะอีกไม่นานอ่ะนะที่ตรงที่เคยสุขมันก็จะเป็นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อีกแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนั้นก็อยู่อย่างนี้มีสาระไหมในท่าสูตรบอกว่าต่อมน้ำเนี่ยชัดมากเลยนะ มันเหมือนต่อมน้ําจริงๆตัววัตถุเหมือนฟองน้ําช่ตัวเวทนาเหมือนกับต่อมน้ําวัตถุเหมือนกับโรงพยาบาลเวทนาเหมือนกับความป่วยไขย่มันตั้งอยู่โดยความเป็นของที่ไม่มีสาระแต่ถ้าจะดับพวกนี้เนะีอภิชาตันหากรรมวัตถุอารมณ์ดับภาษะดับนะเวทนาก็ก็ดับด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่าการไม่มีเวทนาเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่ง นนะการไม่มีเวทนาเป็นสุขอย่างยิ่งท่านจึงเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะเพื่อที่จะดับซะมาจากศัพท์ว่าสัญญาเวทนาอนนะสัญญาเวท้ายิตานิโรธเนี่ยนะถ้าชื่อบารีเขานะ้าเนี่ยเวท้ายิตะนิโรธแล้วว่าดับดับอะไรดับสัญญาและเวทนาเนี่ยนะท่าน ก็กล่าวว่าดับจิตเจตสิกโดยไม่มีส่วนเหลือในระหว่างที่เช่นเข้าสมาบัติอยู่เจ็วันเนี่ยดับสัญญากับดับเวทนาเจ็ดวันเพราะฉะท่านถือว่าเป็นความสุขของท่านเป็นอย่างมากในการดับสัญญาและเวทนาเนีย่ยนะของเราเนี่ยถ้าไม่ให้เราคิดสักเจดวันนี้เอาไหมคิดไม่ได้เจ็ดวันเลยนะหรือหลับยาวเจ็ดวันนี่ยังไงอยูอย่เนีห่วงมากะนะความคิดเนี่ย แล้วก็สรุปว่าเวทนาทุกๆเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็รู้ชัดทั้งหมดทีนี้พูดถึงว่าถาก่อนจะตา ย, ยานะพูดถึงอันนี้พราอไม่ต้องห่วงเพราะว่ากําลังพูดให้คนเกือบจะตายฟังเนี่ยนะท่านก็ภวักลีเนี่ยท่านเกือบตายแล้วแต่ยังไม่ตายอขออภัยพระอาศาัศจรนะหากเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด อันนะั้นคื อ, อเมื่อเสวยเวทนามีใจเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่าเสวยเวทนามีใจเป็นที่สุดอขอไปมีใจก็คือชีวิตอันนะเ้เสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดท่านก็บอกว่าแบ่งในคัอัตถกถาสั่งยุตินิการนิทานวักแยกแยกให้เห็นว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเรยกเริื่มเลยเนี่ยเวทนาทางใจเนี่ยเกิดก่อน หลังจากนั้นจึงมีเวทนาทางกายเวทนาทางกายเป็นต้นดับก่อนแล้วเวทนาทางใจจึงจักดับจะเป็นลักษณะนี้นะตอนแรกเวทนาทางใจเกิดก่อนอนะตอนท้ายเวทนาทางใจเนี่ยดับทีหลังอันนี้เรียกว่าโดยมากทั่วๆไปจะเรียกว่าชีวิตส่วนตา หูจมูกลิ้นกายเนี่ยถือว่าในระหว่างอันน้ทวารตาทวารหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะสับรวมเรียกว่ากายให้สับเดียวว่ากายเมื่อสเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดหมายถึงว่าไม่นานเนี่ยเช่นถ้าตาบอดเลยนะจะได้เวทนาทางตาไหม ถ้าตาบอดแล้วความรู้สึกที่เกิดทวารตาก็ไม่มีถ้าตาบอดแล้วสันรูปประสัญญาที่จะเกิดทางตาก็ไม่มีเจตนาเป็นต้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอเวทนาที่มาจากทวารตาก็จะไม่มีเมื่อตาดับเมื่อหูดับเวทนาทางหูก็จะหมดไปอะไรมาำนวณว่าหูเสียแล้วนะจะได้ยินอะไรต่อไปก็หมดถ้าจมูกเสียไปแล้วหรือลิ้นเสียไปแล้วแล้วกายเสียไปแล้วเสียหายไปหมดแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อว่าจุติใช่ห เพราะจุติที่ตัวนี้นะปฏิสนธิเนี่ยที่ปฏิชื่อบาลีเลยปฏิสนธิอันนี้เรียกว่าจุติตัวร่างกายนี่อาจจะดํารงอยู่เอาเกก็แล้วกันเห็นไหมตอนแรกๆ ก, กายก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะตอนหลังมันค่อยเสื่อมค่อยๆหมดไปเรื่อยๆในที่สุดชีวิตในสูตรนี้ก็บอกว่าเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดคือหมายถึงว่า จบกันสทีนะหมดกายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาที่จักทวารห้าก็จบสทีเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็คือเมื่อจุติดับเรียกว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดปกตินะสัตว์นี่จะหวงไอเวทนาตรงนี้มากกลัวมากว่ามันจะเกิด ตรงนี้พระองค์บอกว่าให้ทราบชัดนะให้ทราบชัดก็คือให้รู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะทราบชัดว่าก่อนจะสิ้นชีวิตเพราะกายแตกความสเสวยอารมณ์ทั้งมวลในโลกนี้ไม่น่ายินดีจักเป็นของเย็นสรุปว่าท่านไม่มีฉันทราคะในทุกเวทนาอันนี้ยกเวทนาขึ้นเป็นประธานใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่ยึดติดในเวทนานะคนนั้นคือพระ้าหันอยา่างผู้เดียวที่ไม่ติดในเวทนา เพราะว่าพระนาคามีก็ยังติดในเวทนาติดในฌานน่ยนะพระนาคามียังติดในรูปฌานแล ะ, ะรูปฌานนั้นองค์ฌานก็คือเวทนานะั้นตั้งติดในเวทนาก็ถือว่ายังเป็นพระเสขเบื้องต่ําอยู่เพราะนั่นบอกว่าก่อนแต่จะสิ้นชีวิตเพรา ก, กายแต่ความสเสวยอารมณ์ทั้ ง, งมวลในโลกนี้ไม่น่ายินดีจักเป็นของเย็นคือไม่มีฉันทราคะในทุกเวทนาเลยเนั้นแสดงว่าสรุปก็คือ เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธถ้ามา น, นีปฏิปทาเนี่ยท่านบำเพ็ญกิจอันนี้บริบูรณ์หมดแล้วนะ